ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนก็กราบครวะพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์มัฒนาชัยกราบครวะเพื่อนสาธมิกเจริญพรแมช่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มาทำวัดเย็นนะวันนี้ก็ได้เห็นมีคนใหม่ๆ ม, นะมาหลายคนแล้วก็พระอคตุ ก, กะหลายรูปนะที่มาเพิ่งมาใหม่ก็ก็ดีนะที่อยู่แล้วก็ก็มาร่วมนะ สิ่งที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรนะนอกจากเรื่องของการที่เราจะมาเรียนรู้นะตัวเราเองนะในชีวิตที่เราอยู่ข้างนอกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของสังคมเรื่องของโลกเรื่องของการทามากินนะก็เป็นความสุขนะในระดับ ทั่วไปนะที่เราคุ้นเคยที่เรารู้จักกันนะเมื่อมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราก็มาเรียนรู้นะมาสัมผัสนะความสุขอีกแบบหนึ่งนะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะจากภายในตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสตินะ มาเรียนรู้ตัวเราเองเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้มาสแสวงหาความสุขนะอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากใจเป็นปกตินะหรือว่าใจิตใจที่เอ่อเป็นปกติสุขนั่นเองในการที่เราจะเรียนรู้นะเรื่องตัวเราเองนั้นนะมันก็มีเครื่องมือสำคัญนะที่เราเรียกว่า ความรู้สึกตัวนะเลยถ้าเป็นภาษาบาลีเราก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนะที่เราเรียกลมๆกันว่าการเจริญภาวนานะหรือบางทีก็เรียกว่ากรรมฐานเนี่ยนะเข้าใจว่าหลายท่านนะก็คงเคยได้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกันมาหลายแบบหลายวิธี นะโดยเฉพาะวิธีการที่เราเรียกว่าการทำกรรมฐานแบบนั่งหลับตา่นะส่วนใหญ่ก็จะเคยผ่านกันมามีคำบริกรรมบ้างไม่มีคำบริกรรมบ้างนะซึ่งตัวภูนิตามาเองก็เคยได้ผ่านวิธีการนั้นมาและก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราได้สงบจิตสงบใจ นราได้สัมผัสกับความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่เป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราพักใ จ, ใจิตใจจากเรื่องต่างๆนะที่มีในชีวิตของเราเมื่อพูดถึงความสุขเนี่ยตะกี้นี้เราได้พูดถึงความสุขสามอย่างลง้นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่า 3อย่างล้นเนี่ยมัน3อย่างอะไรบ้างนะบางคนก็จะทราบแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบก็เลยจะมาขอนาเสนอในเย็นวันนี้โดยทั่วไปความปรารถนาของคนเรานั้นนะก็ต้องการที่จะแสวงหาความสุขนะความสุขที่เรารู้จักเบื้องต้นเลยนะตั้งแต่เราเกิดมา น่นก็คือความสุขที่เราได้จากการได้เห็นอะไรสวยๆได้ยินเสียงอะไรเพลาะๆได้ดมกลิ่นอะไรหอมๆได้กินของอร่อยได้สัมผัสของนิ่งๆแล้วก็ใจนึกคิดที่เป็นความสุขซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็เคยผ่านกันมา และเราก็คุ้นเคยแต่ความสุขแบบนี้เนี่ยเป็นความสุขพื้นฐา น, นเป็นความสุขที่โดยทั่วไปนะคนก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีความสุขแบบนี้นะเป็นความสุขที่เป็นไปตามสัญชาตญาณ น, นะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะก็มีเหมือนกันนะภาษาพระหรือภาษาศาสนาเาเรียกว่ากามสุข นะสุขในะที่ต้องอาศัยการ ม, มีความยินดีในประสาทสัมผัสทั้ง5นะก็คือตาหูจมูกลิน้นกายและใจนะนี้เป็นความสุขในระดับพื้นฐานความสุขตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็จะติดในรสอร่อยนะที่ไดนะ้จากการได้เห็นของสวยๆนะได้กินของอร่อยๆ นะแล้วก็ชื่นชมยินดีกับมันแต่ก็ต้องยอมรับอยู่นะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรสวยไปทั้งหมดนะมันก็มีขิเหล่บ้างอาจมันก็มีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะเสียงที่ได้ยินก็มีทั้งเพราะและไม่เพราะเพราะฉะนั้นการที่ได้เสพความสุขแบบนี้โดยไม่รู้เท่าทันเนี่ยานะจิตใจของเราก็จะไม่ค่อยปกติ นะก็คือถ้าเราได้สิ่งที่ถูกใจพอใจเราก็มีความสุขเมื่อเราได้สิ่งที่ไม่พอใจไม่่าญดีเราก็เป็นทุกข์นะก็จิตใจเราก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้นะจิตใจเสียความเป็นปกตินะโดยเฉพาะยิงย่งในโลกปัจจุบันนี้นะเราต้องยอมรับเลยว่านักธุรกิจก็ดีพ่อค้าต่างๆเนี่ย เขาก็จะเสนอสนองความสุขประเภทนี้นะให้เราได้กินได้ใช้ได้สัมผัสได้ดูนะด้รูปแบบที่แปลกแตกต่างออกไปมีการพัฒนาออกไปมากมายนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราต้องวิ่งหาความสุขประเภทนี้อยู่ไม่รู้จักหยุดกย่อนนะเราต้องเสียเงนินเสียทองเราต้องเหน็ดเหนื่อยในการที่จะเพิ่มปริมาณความสุข หรือบางทีต้องการความสุขที่แปลกใหม่ออกไปเรื่อยๆนะเพราะงี้ความสุขประเภทนี้เนะี่ยจึงเป็นความสุขที่เหน็ดเหนื่อยเป็นความสุขที่ไม่จืดหลังยั่งยืนนะเป็นความสุขที่น่ า, าหักใจอยู่เหมือนกันนะนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้กันโดยทั่วไปนะเราเรียกมันว่า ก, กามมาสุขซึ่งก็คิดว่าพวกเรา ก็คงได้สัมผัสกันอยู่แตนะ่แล้วถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขอันนี้เราก็สัมผัสอยู่แต่เรารู้เท่าทันเราไม่หลงไปในความสุขประเภท น, นี้เรารู้ว่าความสุขประเภท น, นี้มันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่แน่นอนนะ และเป็นสิ่งที่เร า, เาไม่น่าจะไปเหน็ดเหนื่อยกับมันนะไม่น่าที่ต้องไปวิ่งหาความสุขแบบนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้บางคนเนี่ยนะเมื่อมีสัมผัสกับความสุขนี้แล้วเห็นความไม่จรังยั่งยืนความไม่เที่ยงแท้นะเขาก็จะไปสแสวงหาความสุขในระดับที่สองความสุขในระดับที่สองเนี่ยนะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราอาจจะเบื่อ งาหรืออาจจะเหน็ดเหนื่อยกับความสุขที่เป็นการมาสุขงาเราก็จะทิ้งงานหรือว่าอาจจะไม่ให้คาบมันเราก็ไปหาความสุขอีกประเภทหนึ่งแต่ อ, อย่างเช่นการที่บางคนรู้สึกวุ่นวายใจไม่ไดอ้อย่างที่ใจต้องการไม่ได้ความสุขที่เคยได้รับงาหรือความสุขที่ได้แล้วมันไม่พอมันไม่อิ่ม นะก็ไปหาความสุขอีกประเภทหนึ่งก็คือไปหาที่สงบสงบไปอยู่เงียบเงียบไปอยู่คนเดียวนะบางทีก็ <c oughs> ไปฝึกนะฝึกกรรมฐานแบบนั่งหลับตาที่นิ่งสงบนะเป็นเป็นความความสุขนะที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกนะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจนะเมื่อเราไปฝึก กรรมาฐานนะแล้วเราก็นั่งหลับตานิ่งๆนะสงบไม่รับรู้อะไรนะในห้องพระเงียบๆนะหรือในที่มืดๆนะแล้วก็เพ่งเข้าไปลงในตัวเราเองนะทาให้ใจเราสงบนะที่เขาเรียกว่าฌานสุขนะก็คือความสุขที่เกิดจากการที่ได้ฌานนะจากความสงบซึ่งอันนี้ก็เป็นความสงบในขณะที่เรานั่งเท่านั้นเอง นะเป็นความสุขชั่วคราวอีกกันหนึ่งซึ่งความสุขตรงนี้นะก็จะมีความประณีตนะแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกับความสุขประเภทแรกนะความสุขประเภทแรกเนี่ยเราต้องวิ่งหาเราต้องค้นหาเราต้องเหน็ดเหนื่อยนะแต่ความสุขประเภทที่สองนี้เราไม่ต้องไปวิ่งหานะเรานั่งนิ่งๆเราหาที่เงียบๆสงบๆนะไปฝึกกรรมาฐานนะด้วยรูปแบบต่างๆ นะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เรามีจิตสงบได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นจิตสงบเพียงแค่ชั่วขณะขณะที่เรานั่งหลับตาขณะที่เราสัมผัสกับความสงบนะบางทีเราก็ได้สัมผัสกับปิตินะความซาบซ่านนะภายในจิตใจของเราหรือภายในร่างกายของเรานะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความสุขในระดับที่สองนะก็เรียกว่าฌานสุข ความสุขทั้งสองประเภทนี้เนี่ยนะก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ายังเวีนเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้นะเราก็จะต้องพัฒนาถึงความสุขอันที่สามนะความสุขอันที่สามเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญาปัญญารู้เท่าทันนะกายและใจของเรานะเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญานะเราเรียกว่า อ่ะนิพพา น, นสุขก็ได้นะคำว่านิพพานในที่นี้เนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องไกลสุดเอื้อมนะเป็นเรื่องที่เราชาตินี้เราคงจะไม่ได้พบแน่นะแต่ถ้าเราไปอ่านในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเองพุทธเจ้าท่านก็พูดไว้ชัดนะว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่สามารถถึงได้แม้ในชีวิตนี้นะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นสิ่งที่เราสามารถจะถึงได้นะไม่ต้องไปรอชาติหน้านะไม่ต้องไปรอไกลไม่ต้องไปรอเมื่อตายแล้วนะแต่เราสามารถที่จะถึงได้ในชาตินี้ซึ่งคํานิพพานเนี่ยนะก็หมายถึงความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นความเป็นปกตินะที่ต่อเนื่องนะที่ยาวนานนะ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็สัมผัสกับความเป็นปกติเล็กๆน้อยๆนะเป็นช่วงขณะหนึ่งก็เรียกว่าในผ่านน้อยๆนะแม้ยังขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้นะจิตใจเราเป็นปกติเราไม่โกรธเราไม่โลภเราไม่หลงอันนี้ก็เป็นสภาพปกติของใจซึ่งมีอยู่ทุกคนแลเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นปกตินะเรียกว่าเป็นปกติสุข ทีนี้ความสุขประเภทนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากปัญญาปัญญาที่ได้จากการเจริญสตินะไม่ใช่ปัญญาที่เป็นมึกคิดเอาเหตุเอาผลเหมือนอะย่างที่ที่เราเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติการเจริญสตินั้นก็มีหลายรูปแบบนที่วัดป่าสุกโตเนี่ย นะก็ได้นำรูปแบบของหลวงพ่อเทียนนะที่านได้ค้นพบเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วก็มานำเสนอนะซึ่งจะแตกต่างไปจากการเจริญสตนะิในรูปแบบอื่นๆที่พวกเราจะคุ้นเคยส่วนใหญ่การเจริญสติหรือการทำกรรมาฐานในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเน้นนะให้เรานั่งหลับตามีคำบริกรรมนะหรือใช้ลมหายใจ นาะให้จิตสงบนาะในระดับหนึ่งนะแล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงนะพิจารณาความเป็นทุกข์พิจารณาอนัตตานาะ่นก็เป็นเป็นแนวที่ใช้กันอยู่นาะซึ่งหลายคนคงจะคุ้นเคยแต่เมื่อมาที่นี่เนี่ยเจอว่าเราไม่นั่งหลับตาเราลืมตาเราไม่นั่งนิ่งๆเราเคลื่อนไหวนาะซึ่งตรงนี้หลายคนก็อาจจะ แปลกใจหรืออาจจะสงสัยว่าเอา๊ะแล้วมันจะสงบได้อย่างไรนะส่วนใหญ่เราจะไปสนใจไม่ไปเข้าใจว่าความสงบนั้นต้องนิ่งต้องไม่รับรู้อะไรในะ่ง้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นความเข้าใจในระดับทั่วๆไปการจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันสงบได้อย่างไรคําไม่สงบเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะอันหนึ่งก็คือความสงบแบบไม่รู้ ไม่รับรู้อะไรความสงบแบบนี้านะเป็นความสงบของฤาษีซึ่งเจ้าชายก็ไปเรียนจากอาลาลาดาบทอุทกกระดาบทแนะได้ฌ า, า, า, 7, า 8, นฌานฌานเจนแปซึ่งท่านก็ยังไม่พอใจมนะเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะเป็นความสุขขณะที่เรานั่งหลับตาขณะที่เราบริกรรมต่างๆ เส้นะตรงนี้ก็เป็นความสงบที่ยังไม่เท่ความสมงบที่แท้จริงแต่ความสมงบแบบที่สองนะีก็คือความสมงบที่เกิดขึ้นจากการที่เรารู้เท่าทันความคิดปริ่แต่งนะหรือรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของเราเมื่อ าหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสกับโลกแล้วเราไม่รู้เท่าทันความคิดปรงแต่งไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นต่นนี้นี่เองทำให้เราหลงไปในอารมณ์หลงไปในความคิดปรงแต่งอารมณ์ที่ดีความรู้สึกสบายเราก็พอใจอากาศที่ร้อน ฝนตกหนักเชื้อแฉะมีหมัดมีเห็บมักกัดกินข้าวไม่อร่อยนะเราก็ไม่พอใจนะตรง น, นี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที น, นี้เราจะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะสิ่งที่จะทำให้เรารู้เท่าทันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนาลิสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวนะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่พอเรารู้นะว่าความโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธอยูนะ่ซึ่งตรงนี้ความรู้สึกตัวที่มีเป็นความรู้สึกตัวสามัญเป็นความรู้สึกตัวตามสรรชาติยานด้วยนี้นเองจำเป็นที่เราจะต้องมาพัฒนา มาเริ่มาปลุกความรู้สึกตัวที่มีให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นให้มารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งให้มารู้เท้าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราไปสัมผัสกับโลกโดยผ่านอาัตนะทั้งหลายสิ่งต่างเหล่า น, นี้เนี่ยมานะก็จะให้เราต้องมาพัฒนามานะซึ่งวิธีการมานะที่จะพัฒนาเนี่ยว่านะ แล้วก็ใสยการเคลื่อนไหวในเส้นระูปแบบที่หลวงพ่อทเทียนได้นำเสนอก็คือการเจรินสติด้วยการสร้างจังหวะ14จังหวะการเดินจงกรมซึ่งหลักการง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรายกมือเนี่ยให้เรารู้สึกกับการยกอย่าไปยกเฉยๆยกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของการยบไปตามความเคยชิน าการยกเนี่ยเรารู้สึกตัวกับการยกกับการพลิกกับการหยุดให้เรารู้เราเจตนาที่จะรู้สึกกับมือที่ยกมือที่หยุดโดยไม้แต่การเดินเราก็รู้สึกตัวกับการก้าวเดินนากับเท้าที่สัมผัสพื้นโดยไม่ต้องมีคําบริกรรมใดๆคํำบริกรรนี่ก็เป็นความคิดตรงแต่งอีกการหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นท่านวิธีนี้เนี่ยไม่ต้องบริกรรมเลยและไม่ต้องนั่งหลับตาทำไมไม่ต้องนั่งหลับตาการนั่งหลับตาเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะถ้าสติเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราจะง่วงเราจะหลับและเราจะสู้กับความง่วงไม่ได้แต่ถ้าเราลืมตาเนี่ยมันก็ง่วงเหมือนกันนะแต่การลืมตาเนี่ยมันจะง่วงไม่ยากกว่า เรานั่งหลับตานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการนั่งหลับตาเนี่ยถ้าคนที่สติไม่แขงแรงพอเนี่ยมันจะจินตนาการมันจะฟุ้งซ่านได้ง่ายแต่ถ้าเราลืมตาเนี่ยเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นานะเฉพาะหน้าเราสิ่งต่างต่ที่ผ่านมาเราเห็นเราเห็นแต่เราไม่ได้ตา ม, มันไปานะเราอยูท่ที่การเคลื่อนไหวของมือ มีในในความรู้สึกตัวกับการเขึ้นไหวของมือใ น, ในขณะที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาแทรกอาจจะมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกเป็นธรรมดาที่เราเคยชินอย่างนั้นถ้ามีความคิดเกิดขึ้นให้เรากลับมารู้สึกตัวที่มือวิธีเท้าก้าเดินเพราะฉะนั้นผู้ที่เล่นต้นหมายก็ดีผู้ที่ทํา เก่าๆก็ดีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญเป็นพื้นฐานนะเราอยา่าเพิ่งไปสนใจความคิดแนะบางคนอาจจะเคยไปอ่านหนังสือบ้างฟังครูบาอาจารย์บ้างนะให้ดูความคิดให้ดูจิตคนที่จะทำอย่างนั้นได้หมายถึงว่าความรู้สึกตัวที่กายของเขาชัดเขามีฐาน มีสติที่กายชัดเขาจึงไปดูความคิดดูจิตได้ทันคนที่มีความรู้สึกตัวที่กายไม่ชัดเนี่ยถ้าไปดูจิต ด, ดูความคิดเลยเนี่ยมันมน่าจะพัดหลงไปในความคิดคิดไปเรื่องราวต่างๆนานานะแต่ต่อนนตามาหลวงพผมเองก็เคยเคยฟังหลวงพ่อเทียนไม่คยดีหรือไปฟังครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้เฝ้าดูความคิดนะ มันเกิดขึ้นมันต้องอยู่มันดับไปอย่างไงาเรื่องที่หนึง่งจบเรื่องที่สองเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปอย่างไงาจบเรื่องที่สามเกิดขึ้นต้องอยู่อย่างไงจบตรงนี้มันตามความคิดไปแล้วมันไม่ทันความคิดไปแล้วผมเท่ากันเขียนให้ท่านมานะว่าในเบื้องต้นเน่ยให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ชัดก่อนความคิดอย่าเพิ่งไปให้ความสําคัญมันคิดอะไรออกมา จะคิดดูคิดไม่ดูทิ้งไปหมดเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายก่อนตรง น, นี้เป็นฐานสําคัญนะถ้าฐานกายเราชัดแล้วเนี่ยนะเราไปดูความคิดมันก็จะชัดมันก็จะทันนะเรียกว่าเป็นการฝึกนะตั้งแต่เบื้องต้นนะก็กือที่กายนะเมื่อดูกายเนี่ยนอกจากเราจะดูดที่กายเคลื่อนไหวชัดแล้วนะสิ่งบางๆที่เกิดขึ้นกับกาย ด้สังเกตดูด้วยเช่นมันนั่งมานานมันก็ปวดมันก็มั่วยัมันหลบชาขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้ฝึกเนี่ยเราก็จะรู้สึกหดหูดเราก็จะเปลี่ยนทันทีนะหรือว่าจะไปทำอย่างอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้อริยสัจข้อที่หนึ่งนะก็คือความทุกข์ วความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายนากายมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันเป็นเหน็บหรือถ้าอากาศร้อนนาเราก็รู้ดอบอ้าวความทุกข์แบบนี้เนี่ยเราแก้ไขด้วยการบรรเทานาเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนดยโดยบทได้แต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวนะจะเปลี่ยนทันทีจะไปเปลี่ยนตามความเคยชินนาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายเนี่ยเราไปกำจัดนนไม่ได้หรอก กันมดรู้ได้เหม okay. <ormuş. S 1> ือนกันนะแต่มันแก้ไม่ได้เราจะแก้ได้ด้วยการบันเทาแต่ทุกที่ที่กันหนดรู้ก็คือทุกที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนั่นแหละที่เราไม่รู้เท่าทันตรงนั้นเราต้นงกำหนดรู้แล้วเราก็ปล่อยวางอย่าไปตามความคิดไปเรื่องความทุกข์เนี่ยมันมีทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายความกุศลความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งตรงนี้เราก็ให้ เแยกคายในการพิจารณาในการที่จะแก้ไขเพราะเมื่อเรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวแล้วก็อาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายของเราแล้วถ้าเราดูบ่อยบ่อทันบ่อยๆงานก็นจะเกิดความชํานาญนะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเห็นสิ่งที่เป็นความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจนะที่มันเกิดขึ้น นะซึ่งตรงนี้ภาษาบาลีเรียกว่าเวทนานะเวทนาไม่ใช่ว่าน่าสงสารนะเวทนาก็คือความรู้สึกพอใจไม่พอใจนะความรู้สึกสุขทุกข์แม้แต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกไม่ทุกข์เนี่ยก็ต้องรู้มันนะซึ่งตรงนีนะ้ก็จะทำให้เราเรียนรู้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเห็นหนึงกายเห็นหนึงใจ เ่มมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเปิดการปล่อยวางแต่แต่อนเนี่ยเมื่อเราไม่รู้เราไม่ได้มาเรียนนะเราปวดเราเมื่อยเราเจ็บเราพอใจไม่พอใจมันก็จะมีตัวเราเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านี้นะเราเจ็บเราปวดเราพอใจเราไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวดีแล้วเนี่ย มันก็จะเห็นเลยว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธรรมดามันเป็นอาการของกายที่เขาจะแสดงออกมาเมื่อมันปวดมันเมื่อมันหิวมันกลาหายเราก็หาทางบรรเทาแก้ไขไปนั่นเป็นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะนั้นจากความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเวทนา และในขนาดนั้นเนี่ยนาะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีความคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆนะคิดในอดีตบ้างคิดถึงอน า, นาคตบ้างนะโดยเฉพาะคนที่ทําการทํางานมานะก็จะมีการวางแผนต่างๆนานาคาดคะเนไปต่างๆนานานะบางทีก็วิตกกังวลกับอนาคตนะบางทีก็อะไรอวร์กับอดีต หรือนะบางทีเขาคิดปรงต่งไปในเรื่องต่างๆนาะนาะตรง น, นี้เนี่ยแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้มาฝึกเมื่อเราไม่ได้มาเจริญสติเนี่ยนะความคิดมันก็จะพาเราไปนะไปสุขบ้างไปทุกข์บ้างขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างแต่เพราะนั้นสวรรค์นรกนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยนะอยู่ตรงเนี้ยสวรรค์นรกที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี่ยนะแต่สวรรค์นรกที่อยู่ไกลออกไปนั้นก็เป็นเรื่องที่มี บันทึกไวนะ้มีการพูดถึงแต่เส้นะตรงนั้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเอาไวตา้ตานตายนั่นเขาว่ากันแต่ว่านรกสวรรค์ปัจจุบันเนี่ยนะเราร้อนอกร้อนใจเนี่ยนระกเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเมื่อเราสบายใจดีใจนะ่นะหลับเป็นสวรรค์แล้วนะแล้วก็ใจเป็นปกตินะีนะ่เน่ยมันก็เป็นนิพพานและนิพพาน น, น้อยน้อยนะที่เราจะสัมผัสได้เพราะฉะนั้น ความคิดเป่งแต่งเหล่านี้เน่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนาที่เราจะต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนเส้นะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สานะที่เราเรียกว่าจิตหนะรือจิตานุปัสนาสติปทานนั่นเองเมื่อเราดูตรงนี้ไปบ่อยๆทําไปเรื่อยเราก็จะเห็นธรรมชาตนะิของกายของใจนเะสิ่งต่างๆขึ้นมานะซึ่งเราเรียกเรีย ก, กโดยว่าทำ น, นั่นเองก็คือทำานุปัสนาสติปฐาน ประเนที่เรามาทันกันเนี่ยาเป็นการเจริญสติาตามหลักสติปัฏฐาน4ตายเวทนาจิตธรรมละครบทั้ง4อันซึ่งพระองมก็ได้พูดโดยชัดเจนนะว่าอันนี้เป็นทางสายเอกนะหลวงพ่อเทียนหลวงพว่อคนเขียนมันชอบใช้คำว่าทางด่วนทางด่วนทางสายเอกเราไม่ต้องไปทางไม่ต้องไปเดินอ้อม นาะไม่ต้องไปนั่งสงบนิ่งๆหลับตานาะไปบำเพ็ญบารมีนาะหลายสิบปีหลายกับมานะเอาตรงๆเลยนะตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าจะพิสูจน์กันดูแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะทําได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอะไรหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทํา นะแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่วันนี้เนี่ยนะเราก็มาเรียนรู้ตรงๆเลยทางสายเอกนาะสติปฐานสี่โดยเฉพาะวิธีการที่เรามาทำกันการเจริญสด็ด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายนะแล้วก็สามารถใช้ได้ในกับชีวิตประจําวันของเราเพราะเราไม่ต้องนั่งหลับตาเราลืมตาแล้เ ร, เราเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของมือก็ดีของกายก็ดีเนี่ยนะเป็นมันเป็นการที่เราให้โอกาสนะอารมณ์ก็ดีความคิดตรงแต่งต่างต่า ง, างที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันแสดงตัวออกมาเมื่อมันแสดงตัวออกมาแล้วเนี่ยสติของเราถ้าเรารู้เท่าทั น, นเราก็จะไม่หลงไปในอารมณ์ไม่หลงไปในความคิดแต่การถ้าเราไปนั่งนิ่งๆห ล, ลับตาเนี่ยแล้วเราปดไม่ให้อารมณ์มัน แสดงตัวออกมากดไม่ให้ความคิดมันแสดงตัวออกมาเนี่ยเราก็จะไม่เก่งเราก็จะไม่ได้มีประสบการณ์เราก็จะไม่รู้วิธีการออกนะออกจากความคิดปรุงแต่งออกจากอารมณ์ออกจากความทุกข์ไม่ไ้วิธีการนะี้เน่ยใครที่ยหมือนพ่เทียนนั่งพูดเหมือนกับเป็นนักน่วยอะ่ะนะนักน่วยนในมีคู่ซ้อมนะที่จะเจอคู่ซ้อมนะเราซ้อม ชกกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีเราก็ชนะบ้างบางทีเราก็แพ้บ้างแต่อย่างนี้เนะีเราก็มีประสบาการณ์ประสบาการณ์ที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ประสบาการณ์ที่จะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งต่างๆหนาทั้งคิดดีคิดไม่ดีหนานี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยถ้าเราทำบ่อยๆนะมันจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งการการ ตรงนี้มันก็จะไปตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าการเห็นธรรมะการเห็นธรรมะนี่นมนมนไม่ได้เห็นสีเห็นแสงเห็นเทวดาเห็นดวงแก้วนะที่เขาพูดกันแต่คือเห็นกายเห็นใจเรานี่แหละเห็นกายเห็นใจของเราที่มันปกติแล้วไม่ปกตินะแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาสู่ปกติได้เมื่อใจไม่ปกตินะเรากลับมารู้สึกตัวความรู้สึกตัวน่แหละ มันจะพาให้กลับมาคืนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งเป็นพื้นฐา น, นาของชีวิตทุกๆชีวิตเราเรียกว่าความเป็นปกติสุขนั่นเองนอกจากการที่เราจเจริญสติในรูปแบบแล้วนะก็ควรที่จะมีความรู้สึกตัวกับสิ่งกิจวัตรประจาวันที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการเข้าน้า การแป่งฟันการตักอาหารการขบเคี้ยวการ <c oughs> อาบน้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย <c oughs> ให้เราเจตนาที่จะรู้สึกตัวอย่าไปทำอะไรตามความเคยชินอาจจะทำให้ช้าลงนิดนึงแต่มีความรู้สึกตัวใส่ใจเข้าไปนะตรงเนี้ยจะทำให้ความรู้สึกตัวการจเจริญสติของเราเนี่ยมีความต่อนเนื่อง มีความต่อเนื่องเป็นลูกโซ่การเจริญสติเนี่ยถ้าทำหยุดหยุดไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยมันจะเน่นช้าตัวกัปปุลมุตตมาเองก็เคยประมาททําทําหยุดหยุดตอนทําในรูปแบบก็ตั้งใจทําเต็มที่เอาจริงเอาจังพอออกจากฐานแล้วก็มาคุยกันบ้างงนะ่มาทําไอ้นี่ไอนี่บ้างโดยที่เราไม่รู้สึกตัวซึ่งตรงนี้ทำให้เน่นช้าพัญญานอกจากทําในรูปแบบแล้ว นอกรูปแบบก็ต้องทำด้วยนะตรงนี้จะทำให้เกิดผลทีนี้อุปสรรคสาคัญที่เราจะพบก็คือนิบร น, นะเป็นสิ่งที่คนใหม่เจอคนเก่าก็เจอนะนะนิวรก็คือความเง่วงล้วงนอนความเบือ่อความคิดฟุ้งซ่านนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกไม่สะดวกไม่สบาย นะอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นและแม้แต่ความสงสัยลังเลจะเป็นไปได้หรือมานั่งสร้างจังหวะมาเดินจงกลรมลูมตาจะเป็นไปได้หรือนะอันนี้มันก็อาจจะสงสัยนะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะแล้วก็การทําอย่างไม่ต่อเนื่องนะอันนี้ก็จะไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อน นะที่เราต้องระมัดระวังนอกจากนั้นนะบางทีทำไปความตั้งใจที่มากเกินไปนะบางทีมันก็ทำให้เราแน่นหน้าอกทำให้เรามึนหัวนะตรงนี้เราก็ต้องผ่อนคลายบ้างนะบางทีมันเกิดขึ้นเราจะไปเอาจริงเอาจังเอาให้ได้เอาให้ได้นะตรงนี้บางทีมันก็หนักเกินไปเพราะนั้นตรงนี้ต้องสังเกตสังเกตตัวเองให้มันพอเห ม, มาะพอดี ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปแต่ทำหนักๆไว้ก่อนนะดีเราจะได้รู้ว่าเออมันหนักขนาดนี้นะเราผ่อนมาเบาขนาดนี้นะความพอเหมาะพอดีเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้นะเราต้องสังเกตตัวเราหนักเกินไปมันก็จะมีอาการบอกแล้วมันหนักๆมึนๆแน่นๆตัวเราหนักๆมันไม่โปร่งเออเนี้เราก็ต้องผ่อนคลายละ อาจจะมองไปไกลๆอาจจะทําให้ช้าลงอาจจะหยุดพักสักนิดหนึ่งแต่บางทีเดินเอาจริงเอาจริงมากไปเขี่ยนมันมากบางทีก็มันก็หนักนะบางทีมันก็จะด้านเอาได้นะตรงนี้ก็ต้องต้องคอยสังเกตนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งและอีกการหนึงที่สังเกตเห็นอีกอัรนึงก็คือความคิดเนี่ยคนที่ฝึกไปแล้วได้อารมณ์รูปนามเนี่ยก็จะดีใจ นะว่าโอโ้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วนะมันก็จะคิดสาทยายต่างๆอยากจะสอนคนนั้นอยากจะสอนคนนี้มันลืมตัวไปแล้วมันเข้าไปในความคิดแล้วตัวกัคุณนม้แต่ไมก็เป็นแนละ้วสมัยที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆแล้วก็ไปรู้เรื่องนี้โอ้โหความคิดมันแตกฉานเลยนะมันพูดได้หมดเลยสอนคนได้หมดเลยแต่มันไม่รู้ตัวหลักว่า เลงไปในความคิดนะที่ท่านเรียกว่าวิปัสนูภกิเลนนั่นเองนะเป็นสิ่งที่เป็นแล้วไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นประสบาการณ์ไม่ต้องไปกลัวนะเป็นทางผ่านที่เราจะต้องผ่านหนะรือบางคนนะปฏิบัติไปแล้วก็มีความคิดดีๆขึ้นมาจะทำมันนั้นอันนี้จะชวนคนนั้นคนนี้มานะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันความคิดดีก็ไม่เอาความคิดไม่ดีก็ไม่เอา รู้สึกตัวอย่างเดียวการเริญสติแบบนี้ไม่ต้องใช้ความคิดนะใช้ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนะเพียงแต่ว่าคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นคำพูดที่พูดง่ายนะแต่สภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคนต้องสัมผัสเองเพียงแต่ว่าขยันเดินขยันสร้างจังหวะบ่อยๆทําบ่อยๆสังเกตบ่อยๆนะใช้สติปัญญาบ่อยๆแต่ซึ่งตรง น, นี้เนี่ยก็จะทําให้เราสัมผัส นะกับความสุขงานะที่เกิดจากการที่เรารู้เท่าทันกายใจของเราแล้วก็ปล่อยวางได้เราเจอเมื่ากายใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันทนอยู่ไม่ได้มันบังคับบัญชาไม่ได้การปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นก็เมื่อเรารู้เท่าทันตรงนี้เราไปคิดว่าจะปล่อยวางเราจะไปคิดว่าจะให้จิดวางมันไม่ได้อะอันนั้นมันคิดรู้ มิเรยังหนังสือเก็บอกให้ปล่อยวางปล่อยวางแล้วปล่อยไม่ได้ละ่ะแต่ถ้าเรามาจเจริญสติเราเห็ น, นกลไกของมันเราจะเห็นความหนักอกหนักใจสัมผัสมันจริงๆมันก็จะปล่อยวางเองโดยธรรมชาติการปล่อยวางมันเกิดจากสติปัญญามันไม่ได้เกิดจากการนึกคิดมาซึ่งอันนี้เป็นความสุขสูงสุดในพุทธศาสนาที่ชีวิตทุกๆชีวิตเนี่ยน่าจะได้สัมผัส เราไม่น่าจะไปยินดีเพียงแค่ความสุขในระดับที่หนึ่งก็ที่เรียกว่าการมัสุขความสุขในระดับที่สองเรียกว่าชานสุขแต่เราควรจะมาทําให้เกิดความสุขชนิดที่เรียกว่านิพพานสุขนะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรพยายามนะของเราอย่างต่อนเนื่องนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าจะพิสูจน์ได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะแล้วก็คิดว่าด้วยความพยายามของทุกท่านเนี่ยนคงจะเป็นสิ่งที่จะหนุนนำนะส่งให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจนะได้อยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะในท้ายที่สุดนี้นะขออ้างอิงเอาคุลภาษีรัตนตรนะก็คือพระพุทธ พระธรรมพระสง์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติปัญญาของแต่ละท่านนั่นแหละนที่เป็นพระพุทธที่อยู่ในใจพระธรรมก็คือสัจธรรมความจรงิงที่แสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันให้เราสติเอาปัญญาเข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูที่กายที่ใจของเรานั่นคือพระธรรมที่มีในตัวเรา และะส์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นยันหลับนะทุกลมหายใจนะด้วยการกระทำเช่นนี้ประกอบกับความเพียรพยายามนะจงเป็นพระวะปัจจัยให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร